เพราะคนชื่อตุงมีข่าวไม่ดีให้ผมต้องกลุ้มคลาอเหตุว่น้องตุงตุงจะแต่งงานแล้วจุดถูก ส, สามน้ององ ครา